أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و, و ص س م ل عل م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربشرح لي صدري و ي س ر لي أمر ي อ ح ล ل อฮุลลูก ن ตะมิลิสานีข้อว่ากุลิอัลลอ ع ل م ت ن ا و ع ل م ن ا م ا ي ن ف ع و ن ا و ز ي ر ن ا ع ل م ا ر ب ن ا و ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا و إ ل ا توفر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن ا م ن ا ل خ ا س ر ي ن ر ب ن ا آ ت ن ا م ن ل د ن ك ر, ر ح م و ح ي لنامنأمرنارشدالحمد للهالحمد ل ل ه و เป็นสัปดาห์แรกของออของเดือนฉะบานนะครับเราเหลือเวลาอีกสสัปดาห์รวมถึงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับอินชาอัลลอ์น่าจะจบน่าจะจบเหลืออีกยื้อเยอะแต่พยายามจะให้จบวันนี้เราอ่านเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทันกับร م ม ا อนะครับเพราะว่า ر م ض เราคงไม่ได้เรียนแล้ว เราจะทำภารกิจอย่างอื่นละในามา ا อนนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับมาดูกันเลยวันนี้อายะห์สุราะกาฟิร์ตั้งแต่อายะห์ที่หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเราอ่านหกสิบเอ็ดหกิบสองหกสิบสามแล้วเราก็อธิบายเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าจะอ่านอย่างเดียวอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเปิดเลยครับสุราะกาฟิร์อายะห์ที่หกสิบเอ็ดหน้าสองสามหกแปด أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ล <ال ل จีม ا ل ลลอ ل ฺ ك ัล ل อฮ ل ل ั س ลอฮฺอั คุณูฟีลทสกคุฟีห์วันน์หารมบซร الله h ละ فضل ع าลนานัส ل ต่แตَแต ا แต่แต ا แต่แต่ اللَّهُ ر َ ب yes. ُّ ك ُ م ลَัลลอฮฺรั ك ُ ش คุมข้าลิขุคุลลิَัยลาَิลาห์อิลลาหฺฟะ ت ُนْัَُุ و ن َ َ ذ ل ك يؤث ك ُ الذين كانوا بآيات الله يجحدون الحمد لله สามอายัดเราอ่านแต่เราจะอธิบายให้จนถึงอายัดที่หกสิบแปดเลยนะครับวันนี้พี่น้องครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้มีคําสั่งให้เรานั้นวิงวอนขอดูอาต่อพระองค์ว่าวสารรับบุคุมุดูนีอัสตจิบละกมการที่อัลลอฮ์ تعالى เรียกร้องให้เราขอดูอาต่อพระองค์ก็คือการที่เราอิบะดาต่อพระองค์ นี anti, ton, ud, wal ่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนของมนุษย์ว่ามัลกตุลจินนวลอินอิลลลยะบดูหน้าที่ของมนุษย์ก็คือการอิบาดาห์ต่อ a l l และท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมส่งมาก็เพื่อการนี้ส่งมาเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาตินั้นมอบการอิบาด์ให้กับพระองค์ a l a ah ah h และที่ท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมมีปัญหากับบรรดาชริกีน ก็ปัญหาเรื่องนี้แหละปัญหาเรื่องที่ท่านนาบีเรียกร้องให้ทำการอิบตัตดัลอ Allah แต่พวกมุสริกีนไม่ฟังไม่ยอมเกิดการโต้เถียง<ม>เกิดการโต้อตอบประเด็นเดียว<ม>ก็คือประเด็นไม่ยอมมอบการอิบอดาดตตออ l ล a h سبحانه และ ت ع าล ى เพราะฉะนั้นในสุรอะอัฟเฟรเนี่ยจึงมีการพูดคุยยกหลักฐานเพื่อที่จะให้บรรดามุสริี น, นั้นเห็นภาพด้วยต่างด้วยการยกหลักฐานต่างๆหน า, หนา ยกทั้งเรื่องราวของคนในสมัยอดีตใช้ทุกวิถีทางด้วยความเมตตาเจ้าล่าตาลาเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นเห็นเป็นประจักษ์แต่มีกี่คนที่ศรัทธามีกี่คนที่มอบการอิบัตดของเขาให้กับอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه แล ะ, ะ ت ع ในอายัดที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ในวันนี้ที่เราจะได้เรียนเนี่ยก็ยังอยู่ในการอธิบายเป็นอีกหนึ่งวิธีการอธิบาย เพื่อให้พวกมุสริกินเหล่านี้ยอมรับแบบเขาเรียกว่ายอมรับโดยไร้ข้อสงสัยอิสลามคือคนที่รับอิสลามคนที่จะเป็นบ่าวเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของลัาาาทธิบานเอาแต่อะไรต้องยอมรับโดยโดยเขาเรียกว่าอะไรนะโดยบริสุทธิ์ใจโดยสุดจริตใจจริงๆไม่ใช่รับแบบโดนเป่าหูโดนบังคับไม่ เราต้องการให้มนุษยาชาติยอมรับอัลลอฮ์ยอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์สุลฮานอัลลาห์ยอมมอบตนให้กับอัลลอฮ์สุลฮานะัลลาห์ด้วยความสุดจริตใจและด้วยความประจักษ์แจ้งในหลักฐานต่างๆในข้อมูลต่างๆที่อัลลอฮ์ต้องการให้มนุษยาชาติเพราะฉะนั้นอายัดอัลกุรอานจึงพยายามอธิบายข้อมูลเปิดหัวใจเปิดกะโหลกสมอง ให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้แล้วหลังจากเรียนรู้ประจักแจ้งแล้วเนี่ยจึงจะยอมรับนะครับอายัตหกเอ็เป็นต้นไปเนี่ยเป็นการพูดถึงข้อมูลในด้านที่เราเรียกว่าอรูบูบิยะของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل มันมีอยสองอย่างมีรูบูบิยะกับมีอูลูฮีฮยะตฮอไปน ในเนี้ยเตาฮีดเนี่ยอุลามบางบางท่านเนี่ยแบ่งเตาฮีดออกเป็นสามใช่หครับเป็นเตาฮีดรูบูบียเตาฮีดอุลูเียแล้ก็เตาฮีดอัมาอัิฟเตาฮีดรูบูบียก็คือเตาฮีดที่พูดถึงความเรียงไกรของ Allah سبحانه และ ت ع พระเดชานุภาพของ a l l a ในการสร้างท้องฟ้าในการสร้างแผ่นดินในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในการให้ริสกีกับมนุษย์อันนี้เราเรียกว่ารูบูเบียเวลาที่มนุษย์เชื่อ ในรูบูเบียในความสามารถของละตละนะครับมันก็จะนำไปสู่การยอมรับในอุลูฮิยาอุลูฮิยะก็คือสถานะที่อัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลาลนั้นเหมาะสมที่สุดในการที่จะเคารพพักดีและมอบตนมอบตัวของเราเป็นบ่าวของพระองค์สองอย่างนี้มันจึงมีความสัมพันธ์กันละตละพูดถึงรูบูบียของพระองค์ แล้วพระองค์ก็เรียกนำหลักฐานจากรุบูเบียเนี่ยให้มนุษย์น AH ั้นยอมรับในอูลูเบียนี่คือสรุปประเด็นจากอายะทั้งหมดที่เราจะเรียนวันนี้เดี๋ยวผมสรุปไปก่อนล่วงหน้าจะให้เราได้เข้าใจภาพนะครับเริ่มตั้งแต่อายะที่หกสบเอ็ดอัลลอลฺที่เจ้เล็นหนึี่งในี่เป็นน่จนความสามรถของ a l รูบูบียของ Allah سبحانه และ ت ع ا ل อัลล เป็นผู้ทรงทําให้กลางคืนแก่สู่เจ้าสงบเพื่อให้พวกเจ้าได้พักผ่อนในเวลากลางคืนอัลลอฮฺอาบบับเราลองจิตนตนาการลองเอาตัวเองออกจากยุคสมัยนี้นิดนึงหรือจากบริบทในเมืองของเรานิดหนึ่งในเมืองของเรานี่บางทีแยกไม่ได้ว่าอันไหนกลางคืนอันไหนกลางวันไปนแล้ว ต้องต้องลองยกตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมนี้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างเช่นอ่ะในทะเลทรายหรือออกไปในหมู่บ้านไกลๆดวงอาทิตย์ตกปุ๊บได้ยินเสียงอะไรไม่มีแล้วโมอเตอร์โโส่งมอเตอร์ไซค์มีแต่เสียงจิ้งรีดเรไรนี้แล้วก็เสียงสับพสัตว์รอบๆข้างที่กลมให้หูของเราเป็นยังไงครับพร้อมที่จะหลับนิ่งเงียบดึก ยิ่งเวลาดึกๆนี่มาชอว์รอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเป็นไงบ้างร่างกายของเราเป็นยังไงรู้สึกว่ามันได้พักไหมนี่คือหน้าที่ของกลางคืนและอารตัลลักษ์เหมือนกับว่านักจัมซิโ่ามินบารูริยะติลแอดามีกลางคืนเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ถ้าไม่มีกลางคืนเนี่ยเราจะมีชีวิตยังไงลองขึ้นดูนอนไม่หลับไม่ได้พักอะ่ะอวัยวะ ทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยต้องการกลางคืนเพื่อที่มันจะพักเซลล์ sell, บางเซลล์ sell, มันจะฟื้นฟูนได้เฉพาะเวลากลางคืนหรือที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะฮอร์โมนฮอร์โมนกรดฮอร์โมนฮอร์โมนที่ช่วยในการมีชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจะหลั่งออกมาตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงปีหนึ่งพวกเราสี่ทุ่มเรายังไม่นอนกันนะมันเนี้ นี่แหละปัญหาคนในเมืองอะ่ะส่วนใหญ่สี่ท่มยังยังมีชีวิตชีวายังอยู่ยังยังนั่งอยู่ร้านชาร้านกาแฟกันอยู่ยังกินโรตีมัตตบะกันอยู่สบายสบายอะ่ะชีวิตเราจริงๆแล้วถ้าตามกฎธรรมชาติของรัฐอาลากลางคืนเพื่ออะไรนอนรอวันเนี้ยเราเหมือนกับกําลังประนามตัวเองอยู่ไกลๆเพราะว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเราชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆยกเว้นว่าต้องไปอยู่ในแบบ ไกลๆจากชีวิตเมืองหน่อยมันมันถึง จ, จัดวินัยแบบนี้ได้ยากมากนะครับที่เราจะจัดวินัยให้สมมติตอนนี้อีชาสองชั่วสองช่วครึ่งไม่มีใครเข้านอนแน่นอน <laughs> วันนี้ไม่มีคนสองช่วครึ่งเนี่ยเพิ่งจะเริ่มรายการแล้วอัลลอฮฺอัลลอฮุตะเอลลาิลลัตในความเป็นจริงหน้าที่ของกลางคืนก็คือให้เราได้พักอย่างเต็มที่ แล้วมันก็จะไปตื่นก่อนสูบุกอย่างง่ายดายเนี่ยเห็นไหมนี่แนมัดเจาะลอตเอร ล, ลานะกลางคืนนะแต่ว่าเราใช้มันผิดแค่นั้นเองไม่ต้องไปโทษใครอาลตาตเตอรลาให้แนมัดกลางคืนมาให้กับเราแล้วให้หัวใจของเราให้ร่างกายของเราให้ออโตนของเราให้อารมณ์ของเราได้นิ่งกลางคืนแต่เราไม่ได้ใช้แนมัดนี้เราเราทํำลายแนมัดนี้ด้วยอย่างอื่นแทนลาอิดฮะฮ์อิลลัลลอฮ แต่หน้าที่ของมันก็คือลิตัสคูนูฟีกลางคืนต้องการให้มนุษย์นั้นพักผ่อนแล้วจะใช้ชีวิตวัดตอนไหนกลางวันวันเลวันน่ารมุบุศราและส่งสร้างให้กลางวันนั้นสว่างสามารถที่จะมองเห็นสายตาของเราสามารถที่จะมองเห็นโน่นมองเห็นนี่และสามารถที่จะขยับขยื่นทาทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลาในช่วงเวลากลางวัน กลางวันและกลางคืนเป็นสิ่งที่อรัตละกำหนดมาและมีหน้าที่ของมันอย่างชัดเจนมันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ขาดกลางวันไปชีวิตมีแต่กลางคืนน่ะอยู่เพื่อ <laughs> อย่าว่าจะขาดขาดกลางวันแม้บางทีบางวันที่แบบฝนตกตลอดวันแล้วนะไม่มีแดดออกมาเลยนี่เราก็อยู่ไม่ได้นะเห็นไหมกลางวันก็สำคัญกลางคืนก็สำคัญแต่ละด้านแต่ละ ไอ้น awesome. eh. ั้นของมันไปใครที่เป็นผู้ทาใครเป็นผู้กาหนดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ขึ้นต้นอย่างชัดเจนอัลลอฮ์ ل َّ ذ ِ ي ج َ ل َ ل ك ُ م ُ ا ل َْ ل ِ ي ل َ لِتَسْكُنُوا فِيهِ و َ ا ل ن َ ه َ ا ر َ م ُ ض ِ ي ر الله أكبر นั่นแหละที่พระองค์บอกว่าอย่างนี้อินนัลลอฮะล و فضل على الناس แท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณ เหนือมนุษย์ใช่ไหมกลางวันที่อรรถสร้างมาให้เราเป็นบุญคุณของอรรถต่อเนื้อเนื้อพวกเราไหมกลางคืนที่พระองค์สร้างมาให้เราเป็นความโปรดปราน<ม>เป็นความเมตตาจากพระองค์ให้กับเราไหมทำไมเราไม่รู้ไม่รู้สึกตัวทำไมเราไม่คิดนั่นแหละแต่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่ขอบคุณละอิลลาอิลอลอ เราอย่าเป็นคนที่ไม่ขอบคุณเรากลัวมากเพราะอัลลอฮฺตะลาบอกว่าส่วนใหญ่เราอย่าเป็นคนส่วนใหญ่ในเรื่องนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ไม่ดีฮะส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณอิมนุกะซิดบอกว่าอย่างไงไอ้ฮะละย์กูมูนบิชุครีนิอามิลลาฮิอะลัยฮิมมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการที่จะตอบแทนบุญคุณของล็อกตุมพานอัลลอฮฺตาลาอ่า นนเรามาเอาไปคิดเองนะครับ ذلكم ال الله ربكم นั่นแหละอัลลอฮองเดียวผู้ทรงอัลลอฮองเดียวกันนี่เองหรือนั่นแหละอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าพผู้อภิบาลของพวกเจ้าค้อเรียกุลเรชัยผู้ทรงสร้างทุกสิ่งละอิลลาห์อิลล่าห์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะสมที่คู่ควรแก่การเคารพพักดีอีกแล้วนอกจากอิลลัฮูนอกจากพร ะ, งะองค์องค์ต่างๆเท่านั้นในเมื่อพระองค์สร้างทุกอย่างมาให้กับเราสร้างเห็นไหมนี่จากรูบูเบียไปสู่อุล ah ุฮ il il ียะและอิลลฮ์อิลลัลลอฮ์หรือว่าอิลลฮ์อิลลัฮูเนี่ยเป็นอุลุฮียะล ะ, เ ป, ah ละเป็นการพักดีละเป็นการอิบาดะละรูบูเบียยู่ต้องไง خلق ุค ja um ุลิเชยล ع ل ا ل ك م ข้อละกะค็คุมอันนี้เป็นอุบุเบญห์เป็นการให้กับเราและอิลลัฮ์อิลลัฮฺเป็นการที่เราต้องให้กับพระองค์พอเรารู้แล้วว่าอัลาลอฮฺเป็นผู้ที่มีครอบครองทุกอย่างทั้งหมดนี้เราก็ต้องยอมมอบให้กับพระองค์สิและอิลลฮ์อิลลัฮฺไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะที่คู่ควรแก่การเคารพปักดีอิบาดาห์อีกแล้วนอกจากพระองค์ฟาอันนาตุสักูนแล้วเหตุใดพวกเจ้า จึงถูกในนี้ก็แปลว่าอะไรนะจึงถูกหลอกลวงคำว่าถูกหลอกลวงที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงการที่มนุษย์หันจากความถูกต้องไปสู่ความไม่ถูกต้องจากอัลฮกไปสู่อัลบาตินนี่คือตุฟะคูรู้แล้วว่าอาลัลลอฮฺเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแล้วทำไมยังไปเคารพสิ่งอื่นอีก อันนี้คือถูกหลอกให้ไปเคารพสิ่งอื่นของจริงมีอยู่แต่ถูกหลอกให้ไปใช้ของปลอมพระเจ้าที่แท้จริงมีอยู่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮฺสุบฮานตะละแล้วเหตุนใดนมนุษย์จึงยังไปเคารพ บ, บูชาพระเจ้าที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาเองนี่มาใช่พระเจ้าที่แท้จริงและไม่รู้มีตังเท่าไหร่ น, น้อาอุดุเบลละฮ์มินดาลิอันนี้คือการตัฟซีร์นะของท่านอิมรุกาซีบอกว่าอย่างไงไอ้ฟาเกย์ฟาตับูดูน่าไราหู Am, an, ah ลอจาบบกุกปปันซิ่งรปปันพวกนี้ถาว่าเป็นผู้สิ่งเหง ม, มหที่ไม่ใด้ส้างักรตีวเปลย فأنا ُุฟก ك َ ذ َ ال َก ذ ยุ ن กุล ا ن ُน ا ب ِ آ ي َ ا บِ اللَّهِ ي َ ج ْ حد ุนี่แหละคือผลกรรมค ك ัลิกะนี่แِละคือผลกรรมเรแปลดูภาษาไทยก็แปลว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละที่ผู้ปฏิเสธสัตอายทั้งหลายทอลต์ตาละถูกหลอกลวงจริงๆแล้วแนวตัดเสีเนี่ยมีการตัฟเสีเป็นสรุปคร่าวๆก็คือหนึ่ง แนวในการตัฟเซตนะครับในตัฟเซตหนึ่งบอกว่านี่แหละแบบเดียวกันนี่แหละที่คนก่อนหน้ายุค ข, ของท่านนาบีมุฮัมมัดมีสภาพเดียวกันสภาพเดียวกันก็คอือยุคฝักกุนเช่นเดียวกันหันจากการอิบาดัตต่อ Allah ไปสู่การอิบาดัตต่อสิ่งอื่นในขณะที่ตัฟเีตของสักดีนี่บอกว่ามันเป็นผ ล, ลกรรม การที่คนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้ไปเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นเป็นผลมาจากการที่เขาปฏิเสธนนตมัดของอัลลอฮ์ไม่สํานึกในบุญคุณของอัลลอฮ์แล้วจะไปเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรไม่มีดังนั้นการอิบัตัตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยมันเกิดมาจากความสํานึกของเราต่อบุญคุณของพระองค์ นี่แหละจึงเป็น เ, เราเรียกว่าความสําคัญของการที่จะต้องต้องให้หัวใจของเราเนี่ยระลึกถึงอัลลอฮ์ระลึกถึงบุญคุณของพระองค์อยู่เสมอพระจิตสํานึกตรงนี้แหละมันจะชักจูงเราไปสู่การยอมสยบต่อพระองค์วันไหนที่เรามีความรู้สึกว่าตัวเองดือ้อตัวเองหัวแข็งตัวเองหัวรัน้นตัวเองแข็งกระด้างวิธีการแก้ก็คือระลึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์เราอยู่ได้ด้วยใคร ชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยใครเราหายใจทุกวันนี้เป็นของใครอาหาร so. ที่เรากินเวลาที่เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บใครเป็นคนทําให้หายเวลาที่เรามีอุปสรรคต่างๆนานาใครเป็นคนแก้อ <num varias> ุปสรรคต่างๆให้เราไม่ใช่อ l l a h หรอกหรือเห็นไหมพอเรานึกถึงตรงนี้จิตสํานึกมันจะมาแล้วมันก็จะนําไปสู่การเคารพขอบคุณ Allah سبحانه และก็ Allah ผลมันเกิดมาจากเหตุเที่คนไม่ยอมเคารพพักดีอิบาดัตพวกมุสลิกีนถูกหันเห จาก a l l ไปสู่รูปัต่างๆที่ไม่รู้อะไรเนื่องจากว่าคนเหล่านี้ไม่สานึกในบุญคุณของ Allah س, ان ت ان ت الله س ه และ تعالى นันเองนะครอดังนั้นผู้่นั่งนขัรขงพระเางต้ ا งต้องต ل อ ه ต้องต้องต้องต้องออองงออตออตอตออ สุรฟูอันิตาฮีดีวันอิคลาสเป็นการลงโทษจากการที่พวกเขานั้นขัดขวางบรรดานาบีลงโทษจากการที่พวกเขานั้นปฏิเสธนะมาตุลลอฮพวกเขาก็เลยไม่ได้รับฮิดายัตให้เป็นผู้ที่มีความศรัทธาและเป็นผู้ที่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ س ะจบช่วงหนึ่งมาถึงอันที่สองอีกอัลลอฮเริ่มต้นด้วยอัลลอฮเหมือนกัน อตอนแรกพูดถึงกลางวันกลางคืนซึ่งเป็นมิติของเวลาใช่ไหมครับเวลากลางวันเวลากลางคืนเราแต่ละาลาเป็นผู้กาหนดมาถึงมิติของสถานที่ร่างอัลลอฮฺละลิจจ่าลลัลคุมุลอาร์ดกาลาระวะส์ะมาะบินาะนี่คือมิติของสถานที่อัลลอฮ์ผู้ทรงทาให้แผ่นดินนี้ เป็นสถานที่พำนักสําหรับสู่เจา้าเราอยู่ที่ไหนอยู่บนโลกใครเป็นผู้ Allah สร้างโลกอัลลอฮ์สร้างโลกโลกนี้เป็นยังไงโลกนี้เหมาะสมแก่การมีชีวิตสําหรับมนุษย์ไปอยู่ที่อื่นได้ไหมไปอยู่บนดวงจันทร์ได้ไหมตอนนี้ไม่ด <c oughs> ูไปอยู่บนดาวอังคารไม่มียังไม่มีถึงแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ยังไม่ประสบความสําสเร็จสถานที่สําหรับมนุษย์ตอนนี้ก็คืออัลลอฮ์เป็นที่พำนักของเรา วาสนาอบินาและพระองค์สร้างท้องฟ้าเป็นอะไรนะเป็นเพดานเป็นในตั f s ีรแปลว่าเป็นกุบบะอัลบินาใม่ถึงว่าเป็นอุบบะหรือสุขัสักเป็นเหมือนหลังคาที่คอยคลุมโลกสถานที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยป้องกันจากอันตรายต่างๆไม่ให้มันทะลุลงมาเพื่อสร้างชั้นบรรยากาศให้เหมาะ ให้มีอากาศที่เหมาะสมสําหรับการมีชีวิตนี่คือหน้าที่ของท้องฟ้านะครับเราอยู่เราอยู่บนแผ่นดินเนี่ยเวลาที่เรามองไปยังท้องฟ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นหลังคาจริงๆนะคือเราเห็นอะ่ะในสายตาของเรานี่เราเห็นว่ามันเป็นเออมันสวยงามมันถูกวางเอาไว้สวยงามเป็นเป็นแผนจริงๆทงั้งทั้งที่มันเวิ้์กวางแต่ทําไมเวลาที่เรามองมีนเราเหมือนว่าเออมันมันเป็นเหมือนหลังคาของเราจริงๆด้วยอัสสลาม อัลลอฮ์อับัดแล้วท้องฟ้าเนี่ยถ้าเราจะนับความสวยงามของท้องฟ้าก็อัลลอฮ์อัคบัดเราแต่ละให้ความสวยงามของท้องฟ้าให้ความสวยงามของดวงดาวต่างๆที่ประดับท้องฟ้าบางทีพันานามไม่หมดจะเป็นพูดให้มันเป็นกวีเป็นกรอนมมีคนมีนักกรอนมีนักกวีกี่ร้อยกี่พันคนในโลกดุนยานี i s พันานามไม่หมดความสวยงามของท้องฟ้า อัลลอฮ์ต้องดูด้วยตาตัวเองนะครับแผ่นดินก็พันนาไม่หมดอีกบนแผ่นดินมีอะไรบ้างบ้านเราแบบนี้ไปบ้านเขาอีกแบบหนึง่งนะแค่ทะเลบ้านเราก็ไม่รู้จะบางคนมาก็ amazing amazing ไม่รู้จะ amazing มรู้ต่กิจครสุ ب ح ا ن อัลลอฮ์ั้งหมดนี้ใครเป็นผู้สา้างอัลล์นะครับ ja um อัลลอฮุลลจัลลุมุลอัรกาฬะวัละบนาอสถานที่สวยงามละ แล้วผู้อาศัยละ่ะเราซึ่งเป็นผู้อาศัย ว, ว, ว่า صور คุมเฟะอัสน์สวรรคุณอัลลอฮฺสั่งทําให้พวกเจ้านั้นมีรูปร่างและทําให้รูปร่างของเรานั้นเป็นยังไงงดงามอาัลลอฮฺอัลลอฮจะโหกอยู่ตรงนี้นะตาอยู่ตรงนี้นะหูอยู่ตรงนี้นะจมูกรูมันอยู่ข้างล่างนะจมูกไม่ได้รับน้ําฝน <ت ص في ق> ถ้าจมูกรับน้ําฝนจะทํำยังไง เวลาฝนตกถ้าชมมุตอบรูชจมูกไม่อยู่ข้างบนเห็นไหมสวยงามมืออยู่ตรงนี้เท้าอยู่ตรงนี้สัดส่วนต่างๆนานานเนี่ยเราต่ลาสร้างมาะอาดนิติตุยห้องฟ้าก็สวยงามสถานที่ก็สวยงามผู้อาศัยก็สวยงามแล้วสิ่งที่ผู้อาศัยใช้กินใช้บริโภคละ่ะเป็นยังไงวาระจักกุมมินัตติย์บาต และพระองค์ก็ประทานริสกีให้กับพวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายมาชาอะลัยกัมีอะไรบ้างสิ่งดีๆทั้งหลายที่เราชอบกินผลไม้กี่ชนิดฤดูร้อนผลไม้แบบนี้ฤดูหนาวผลไม้แบบนี้สัตว์ต่างๆอีกสัตว์บกกี่ประเภทบางคนชอบกินเนื้อบางคนชอบกินไก่บางคนชอบไม่ชอบสัตว์บกสัตว์ทะเลมีกี่ประเภทที่เราได้กินตัวโตๆตั ว, ต ว, ต ว, ตวใหญ่ๆตัวเล็กๆมีหมด มาชาอัลลอฮ์วะเราะซักกะกุมมินัตตอยยิบาบริกกีที่ดีๆทั้งนั้นเลยอัลลอฮุอักบัรนตระการตาอยากจะกินอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซาลิกุมุลลอฮุร็อบบุคุมจำให้ดีนี่แหละคือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทุกคนอลเะตะาลาบอกวันนี่แหละผู้ที่สมควรจะเป็นพระเจ้าของเราคือผู้ที่ให้กับเราแบบนี้แหละ ถ้าสมมุติสิ่งที่มนุษย์เคารพบูชาไม่สามารถให้ได้เหมือนกับที่อัลลอตาลาให้ได้แล้วจะบอกว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเคารพบูชาได้อย่างไรอัลลอ์ผู้ทรงให้กับเราเนี่ยนี่แหละคือผู้ที่เป็นอัลลอ์เป็นพระเจ้าของเราซาลิคุมอลลอฮุรับบุคุมฟาตาบรักัลลอฮุรับุลอาลามีนนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตาบรักทรงจำเริญยิ่ง รบุญอาลามีนอัลลอฮ์ Allah, ผู้ส่งเป็นพระผู้ฟีบานแห่งสากลลโลกถ้าใครบอกว่าใครคือพระเจ้าของเราเนี่ยนี่แหละคือพระเจ้าของบาไม่ใช่ไอ้ที่อยู่ตามมุมลืบที่อยู่ตามซอกผินที่อยู่ตามซอกบึกที่ไหนไม่ใช่อัลลอฮ์รับบุลอาลามีนพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลลโลกให้รู้สึกอย่างนี้นะครับมนุษย์ดีแค่ไหน ที่มีอ<า>ัลลอฮ์แต่ทำไมน้อยคนนะครับที่จะรู้จักและเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ผูวัลฮัยอุปายต่อู้วัลฮัยอุละอิลลาฮิอัลลอฮฺอัลลาอฮฺอักบัรขึ้นต้นขึ้นมาก็เจ็บแล้วนะผูวัลฮัยอัลลอฮฺตะอลาเป็นผู้มีชีวิตแล้วสิ่งที่พวกมุชริกีนเขารบพักดี360ตัวรอบๆกาบะนี่มีชีวิตไหมฮะ สิ่งที่คนสน่วนใหญ่เคารพพักดีงกๆกงกงกันอยู่เนี่ยะมีชีวิตหรือเปล่าสุภานัลล่นแหอัอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงมีชีวิตมีชีวิตผู้ทรงชีวิตลอิลาหอิลลย้ำอีกครันะค้งหนึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ที่คู่ควรแก่การเคารพพักดีฟะดูห์มุคลิซีนละหุดีนดังนั้นจงขอดูอาต่อพระองค์ จงทำอิบัตต์ต่อพระองค์ด้วยความเอกราชและหุ่ดีนศาสนาของเราการประพฤติของเรานะครับต้องมอบให้กับอัลลอฮฺตะเภาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เท่านั้นนี่คือเตาที่แท้จริงอัลฮัมดุลิลลาห์รบเลอาลามีมวนการสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกมัชอาลลอฮผมว่าอายัดต่างๆที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้สวยงามมาก คืออธิบายความสวยงามของเตาฮีดแบบสุดยอดมากๆนะครับกลุ่มอายันนี้ลองทวนกลับไปอ่านหลายๆครั้งนะครับจะได้เพิ่ ม, ม إ ي م า ن ของเรามากเข้าไปอีกอายักที่65เนี่ยที่บอกว่า لا إله إلاه فدعوه مخلصين لا أدين الحمد لله رب العالمين มีคำพูดจากนักตัฟิสูจน์อย่างเช่นอิบนุอับบาส R.A. ลลอฮฺอะลัยฮิสซ จากอิมโนจารีลอัตตาบริบอกว่าเวลาที่ใครกล่าว ش ه าดะสมมุติมีคนรับอิสลามมีคนรับอิสลามกล่าว ش ه วาดะฮะวะดาอิลลัฮิลลอฮ์ก็กลายเป็นมุสลิมแล้วสมควรที่เขาจะได้กล่าวเพิ่มเข้าไปอีกว่าอัลฮะมบูริลลัฮิรอมบิลลาอัลลอฮิให้มันตรงกับบทเรียนที่ได้จากอายะนี้เพราะอายะนี้บอกว่าอย่างไงละอิลล il ัฮิลลอฮฺ แล้วก็สุดท้ายเป็นอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะรอมบิลลาอัลลมีนอันนี้เป็นคำพูดเสริมนะครับจากอุลามะบางท่านในอดีตเวลาที่ใครรับอิสลามเราให้ให้เขากล่าวชาฮัดได้แล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะรอมบิลลาลลมีนขอบคุณที่อัลลอฮฺสุบไบต์อัลานั้นได้ให้เราได้เจอกับขิดายัดจบตรงนั้นต่อไปหลังจากที่เรียกร้องไปสู่เตาฮีตก็ห้ามสั่งแล้ ต่อไปก็เป็นการห้ามห้ามยังไงห้ามที่ตรงกันข้ามกับตาอฮีกก็คือชิริกห้ามช uh ja ิริกกุลอินนีนฮีตุอันอบุดลลซีนตะดนดูนลลาาจานิลบนตุมิรบิจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันถูกห้ามจากการเคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านวิงบอนแทนอัลลอฮ์ชิริกทั้งหมด ห้ามคุอินดีโนฮีเราถูกห้ามนะครับจากการเคารพพักดีอิบาดัตต่อสิ่งอื่นที่พวกเจ้านั้นวิงวอนขอนอกจากอัลลอ์ลมื่อเเนียเบนาตมิรอบบีในเมื่อมีสัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งมาจากอัลลอ์แล้วเรายังไปขอจากสิ่งอื่นได้อีกอในเมื่ออัลอาลอบอกเองก่อนหน้านี้ว่าถ้าอยากจะได้อะไรให้ขอจากฉัน คนที่ไม่ขอจอากอลัลละ์ละตละลาอัลลอ์ตะลาโกรธ ด, ด้วยซ้บอลัลลอฮ์พูดขนาดนี้ยังจะไม่หาสิ่งอื่นจีิงยังไงสุบฮ า, านั่ละอัลล่ฮ์อบอกขนาดนี้ว่าอยากจะได้อะไรมาขอจากฉันนี่แล้วถ้าไปขอจากสิ่งอื่นฉันกโกรธแต่ก็ยังมีมนุษย์ที่เหมือนไม่ได้ยินเหมือนไม่เข้าใจฟังแล้วก็ไม่ยอมทาตาม ยังไปขอจากสิ wow. WA, ho, okay. ah ่งอื people, ่นอีกไม่ยังขอจากอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาละทุกอย่างชัดแจ้งหมดแล้วหลักฐานต่างๆที่อัลลอฮฺตะลาพูดถึงความความเป็นพระเจ้าของพระองค์ความเหมาะสมความคู่ควรของพระองค์แล้วก็ยังมีมนุษย์ที่นะครับยังชีริกกับพระองค์อัลลอฮฺตะลาเองว่าอุมิรตุอันอุสลิมะลิรับบิลอาลามีเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือไม่ชิริกอับ Allah และต้องยอมมอบตนสยบให้กับอลัลกับรับบุลอาลามีนฉันถูกสั่งฉันถูกบัญชาให้ยอมสยบจำนนต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้นอยากไปสยบกับสิ่งอื่นผู้ที่เราจะสยบจำนวนก็คืออัลลอ์ที่เป็นรับบุลอาลามีนพระองค์เดียวนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ ความแข็งแกร่งของอะคีเดตุเตวีที่จะต้องอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายจนกระทั่งตายเลยต้องปลูกฝังอะกีเดนี้ให้มั่นคงในหัวใจของเรานะครับใครที่ยังงนเงนงอนเงนีนคอนแคลนคอนแคล น, คล น, คลนอ่านอายัดนี้ให้เยอะๆอ่านอายัตเ่านี้ให้เยอะๆทำความเข้าใจกับอายัดเ่านี้ให้เยอะๆเพื่อที่จะทำให้หัวใจของเขานั้นปักหลักอย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าเจอกับมรสุมอะไรปัญหาอะไรในชีวิตถ้าเขามีอัลลอฮ์อยู่ไม่มีปัญหาเลยเขาจะไม่กลัวสิ่งใดอีกเขาจะเจอกับทางออกอย่างแน่นอนกลับมาอ่านอายัห์พวกนี้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอถ้ารู้สึกว่าตัวเองโดนกระชากลากถูไปตามเส้นทางของช้ปอนรีกลับมาทบทวนอายต์พวกนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศรัทธาของตัวเองให้กับหัวใจของตัวเอง พูดจบไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของมิติด้านเวลามิติในเรื่องของสถานที่มิติในเรื่องของผู้อาศัยมิติในเรื่องของริสกีที่จะใช้บริโภคทีนี้พูดถึงมิติของชีวิตทั้งชีวิตบ้างตั้งแต่เกิดจนตายนะฮุอัลลดีขอลลักุมมุนตุราบเราเริ่มต้นจากอะไร ชีวิตของมนุษย์คนแรกเริ่มต้นจากอะไรมิติของชีวิตมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นมาจากดินอาดัมอลาฮิสซลัมบรรพบุรุษคนแรกของเราเริ่มต้นมาจากดินนี่คือจุดเริ่มต้นของเราอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างสู่เจ้ามาจากดินหลังจากนั้นสืบพันสืบเชื้อตระกูลของมนุษย์มาผ่านอะไรซุมมมินนุตฟาเจน หลังจากนั้นก็จากตัวอสุจิของฝ่ายชายนะครับที่ไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงหลังจากนั้นเป็นยังไงซุ ม, มมินอาลาควิน <c oughs> จากตัวอสุจิที่ผสมกันก็กลายเป็นก้อนเลือดซุมมายุคริจุกุมติฟลาจากอสุจิจากก้อนเลือดและพัฒนาการเป็นก้อนเนือ้อเป็นก้อนเนือ้อเป็นกระดูกก็กลายเป็นเด็กทารก อยู่ในท้องของแม่แล้วก็ออกมาข้างนอกนะให้เจ้าคลอดออกมาเป็นทารกซุมมาลิตาบลููอัชุดเกุมแล้วค่อยๆมีพัฒนาการจากวัยทารกเป็นวัยเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่นี่แหละที่เรียกว่าลิตบลูอัชุดกุมเติบโตจนถึงวัยที่แข็งแรงเต็มที่ อตอนเนี้แข็งแรงเต็มที่อายุสามสิบกว่ากอายุสี่สิบแล้วพอถึงจุดที่สูงสุดแล้วเป็นยังไงต่อซุ้งมาดิแต่คูนูชิยูคอแล้วค่อยๆลงอ่ะพอมันถึงจุดสูงสุดมันก็ต้องลงแล้วแหละชิยุคอก็คือบรรดาเชฟชูยุกเนี่ยมาจากคําว่าเชคใครเป็นเชคบ้างในนี้นี่เป็นเชฟกันหลายคนแล้วมาชะอัลลอฮฺ เียราชิยูกก็คือบรรดาผู้เท่าผู้อาวุโสคนอารามเนี่ยเวลาที่เขาเรียกเชเชเนี่ยบางคนดีใจนะบอกว่าเออคนอื่นเรียกเราเป็นเชคเขากำลังว่าเรานั้นเป็นคนแก่ไม่รู้ตัวเเชคชยุกอัลลออยฮิสิรุลลอฮ์มีใครที่หนีจากองค์จรนี้ได้บ้าง มีใครที่เกิดมาแล้วเป็นทารกไปจนตายหมายถึงว่าอยู่เป็นหกสิบปีก็ยังหน้ายังเป็นทารกอยู่มีไหมถ้าตายต่ <laughs> างคนการมสุสัน <laughs> มีใครที่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแบบอ ม, มะตะขาวอนไหมในโลกตัญญนี้นี้ไม่มีบางคนไม่ยอมรับอะ่ะแก่แล้วไม่ยอมรับว่าแกยังอยากจะเป็นอัสสลัมอัลลอฮฺเราเนี่ไ <c oughs> ม่พ้น <c oughs> งองค์จรนี้ นะครับแต่ตอนที่เราเป็นหนุ่มๆอย่างพวกเอ็นที่อยู่สองสาคนข้างหน้าเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวหรอกไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองวันหนึ่งจะต้องแก่ก็เลยใช้ชีวิตแบบเต็มที่ใช้ชีวิตโฉบชิวๆพอเริ่มแก่พอเริ่มเป็นชิวิพอเริ่มเป็นเชฟอย่างพวกเราเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มจะทบทวนตัวเองเริ่มจะมาหันมาสนใจแล้วว่าเออชีวิตตกลงมันเป็นยังไงกันแน่อตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่เป็นเด็กไม่มีใครรู้ตัวไม่มีใคร รู้ตัวสักคนหนึ่งจะเริ่มรู้ตัวก็ตอนไหนตอนที่เริ่มเป็นชิยุคแต่ก็ยังดีเพราะว่าชูยุกบางคนก็ไม่รู้ตัวนะก็อยู่กันกนกระทั่งนะอูซุบิลละนะอูซุบิลละฮิมมัลลลินี่คือวงจรชีวิตของมนุษย์ซุ่มซุมมาริตะกุโนชิยุกเข้าไปสู่ในวัยชราว่ามีกุมมันยุตว่ฟ้ามินกับ ในจำนวนพวกเจ้านั้นมีคนที่เสียชีวิตก่อนที่จะถึงวัยชราก็มีอ่าไม่ใช่ว่าตายเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นกับคนแก่เท่านั้นไม่ใช่คนที่ไม่แก่ก็ตายได้นะครับเราก็เห็นแล้วไม่ต้องอธิบายให้มากความลนะไหคนที่ตายก่อนตั้งแต่บางทียังไม่เกิดก็ตายแล้วบางทีเกิดมาแค่นาทีเดียวชั่วโมงเดียวก็ตายวันเดียวตายเพราะงั้นอย่า อย่าไว้ใจความตายอิลิลลอฮับลูอมุัมมะและนะบางคนก็คือมีชีวิตต่อไปเพื่อที่จะได้มีอายุจนถึงจุดที่อัละะอลอฮากำหนดไว้เรียบร้อยละไอคนที่ไม่ตายอยู่ต่อไปเนี่ยถามว่าจะไปจบที่ไหน ก็ไปจบจุดเที่ยวละคลกำหนดที่ไหนนะยังไงเราไม่รู้บางคนอยู่เป็นร้อยปีมาฉลองนะครับเรายังแข็งแรงด้วยยังมีสติสมุนปัญญญยาอะไรทุกอย่างครบพร้อมสมบูรณ์มาฉลอมากแต่บางคนก็พออายุเยอะๆก็เริ่มจะไม่ เ, เริ่มเลอะเลือนไม่จำนูนนี่นั่นหมดละแต่ทุกๆคนนั้นมีกาหนดของตัวเองวิตับลุอจารมุมะ ว่าละคุมตั้งค uh, ุลูอัลลอฮฺอักบาร์เป็นี้เนี่ยนะข้อแรกาลกว่าเพื่อที่จะให้พวกเจ้านั้นได้ใช้สติปัญญาได้เข้าใจอัลลอฮฺอักบารจะเข้าใจยังไงก็ต้องทบทวนและทบทวนยังไงทบทวนสิว่าชีวิตของตัวเองมาอย่างไงทบทวนอายัดอัลกุรอานไม่เป็นก็ทบทวนชีวิตของตัวเองเสีย ทบทวนสัญญาณต่างๆเครื่องหมายของอรตะาลาที่อยู่เยอะแยะมากมายในมฆโลกนี้ทบทวนไม่เป็นดูไม่เป็นดูทะเลไม่รู้ตั้งกี่ปีก็ยังดูไม่เป็นดูไม่เป็นให้มันให้มันให้บทเรียนเกี่ยวกับเราเราดูไม่เป็นดูท้องฟ้าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุเท่านี้ก็ยังดูไม่เป็นดูไม่เป็นผู้ศรัทธายังไม่เข้าใจแล้ว เนี่ยไม่มีปัญญาเขบอกคนไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นดูตัวเองด้วยสิดูตัวเองดูตัวเองในี่ใกล้ที่สุดแล้ดูท้องฟ้าบางทีมันไกลไปดูทะเลบางทีมันลึกไปดูตัวเองดูว่าตัวเองเป็นเด็กยังไงไม่รู้จักตอนเด็กเอาไปขอดูรูปถ่ายของของปะของมะเอาว่าตอนเด็กเราเป็นยังไงแล้วตอนแก่เป็นยังไงดูพัฒนาการของตัวเอง ก็สุดท้ายมนุษย์มีใครบ้างที่หนีพ้นวงจรนี้ที่อัละลอฮฺตัラーพูดถึงมีอาการหรือเปล่าเราอะมีความคิดหรือเปล่าถ้าเราดูแล้วยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสแสดงว่าความคิดของเราเนี่ยมันเสียไปหรือเปล่าระบบความคิดของเรามันเสียไปใช่ไหมถึงคิดไม่ออกอะวันนี้คือความมหัสาร์ที่อลัอลลอฮฺตัラーสร้างมาบนโลกมนุษย์สร้างมาบนโลกนี้ ให้เราได้คิดและเราได้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺว่าอัลกุรอร์อห์ว่อัจูบีนั้นเราอย่าเป็นคนที่เอาวอะตำหนิว่เาเป็นคนไม่มีอากัรเลยนะอยู่เหมือนไม่มีอักัรเหมือนใครอะไม่มีอากัรคนที่ไม่มีอาการสับปสัตว์เท่านั้นที่ไม่มีอากัรไม่มีสติปัญญาก็พวกสับปสัตว์นั่นแหละนั่นแหละแล้บางทีพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยยิ่งกว่าในสุรัตุลอาราัถ้าเราได้เรียนสุรัตุลอา ร, า ร, าอรักร์เี่ยเอาว่าแต่ละตำหนิแรงมาก บรรดาคนที่ตกนรกเนี่ยตกนรกเพราะทำตัวไม่มีอั卡ลทำตัวไม่มีสติสำปะชัญญนีแล้วมีไหมอ่ะบนโลกนี้ถามว่าคนที่อยู่ดีๆมีสติดีๆแต่ยอมที่จะทำให้สติของตัวเองหายไปมีไหมก็มีนะอุบิลลอิลฮะอิละลลอฮ์อัสาฟุลลอฮอะตบิลอัลลอฮอััม่มีอัลกุรอาน มาให้ฮิดายะกับเรามาคุยกับเราแบบนี้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงเราจะสัมเเละเทมเมาเราจะอยู่แบบล่องลอยไม่มีสติปัญญาอีกนานเท่าไหร่ถ้าหากว่าอรกถาลาลไม่ได้มาพูดกับเราไม่ได้มาเรียกสติเราขึ้นมากับอายะ ต, ต่างๆที่สวยงามพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอ้สติปัญญาที่ล่องลอยทั้งหลายกลับมาเถิดนะ กลับมาทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เป็นความจริงทั้งหมดที่อัลาลอฮฺพูดในอัลกุรอานของพระองค์นั้นเป็นความจริงในขณะที่ไอ้ที่เราล่องลอยไปไม่รู้ที่ไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นสิ่งที่ชัยตอนกําลังหลอกลวงเรามันเป็นสิ่งที่อารมณ์และฮวานักสู่ของเราพาไปทั้งสิน้นถ้าอยากจะประสบความสําเร็จกลับไปหาอาัลลอฮฺสุลตานอวตาลาอย่างปลอดภยัยกลับมาสู่ความจริงของอัลกุรอานเธอ ใช้ปัญญาใช้สติของเราให้ดีเราจะเจอกับความจริงนี้อาเมนเราบาราอาเลมวันนี้ได้ล้เวลาประมาณนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์บัฟขันอัลลอฮ์วะลลอฮฺท้าลาอัลัมบัฟขันัลลอฮฺอียาคุณนิมาญิฮิบุยัลดาอัลลอลลัลลอฮฺอัลลอฮฺมุฮัมมัดินาะลลอาลัลลัมซุบฮานะรบบิรบบิลซเตอมาียซิฟุนะลามุะลลมุซลน d u รบบิลอาลม السلام ع ك م ر ح م ة الله وبركات